บางคนโกรธแล้วน่ารักเพราะใจมีรักมากกว่าโกรธบางคนโกรธแล้วน่าเกลียดเพราะใจโกรธง่ายและเกลียดนานทุกความใกล้ชิดมีการสั่งสมความอัดอั้นถึงจุดหนึ่งถ้าเผลอปลองด้วยโทสะแรงอัดที่สั่งสมมานับว่าเป็นระเบิดเวลาเพื่อรอการทำลายล้างแต่ถ้าระบายออกมาด้วยสติ แรนอัดที่สั่งสมมานับว่าเป็นแบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาตนเมื่ออยู่ใกล้ใครในานๆอย่างไรก็ต้องมีเรื่องให้ขัดใจหลายครั้งแต่ละครั้งมักมีเสียงในหัวที่พูดไม่หมดตกค้างอยู่และกลายเป็นพลังลบเก็บอัดไว้ในใจในที่สุดก็ต้องถึงเวลาระเบิดออกมาเป็นความโกรธ บางคนโกรธแล้วน่ารักเพราะฐานเมตตาสว่างใสตกแต่งให้ดูอ่อนโยนมากกว่ากระด้างมีประกายความรักมากกว่าความเกลียดกระจายความเย็นมากกว่าความร้อนซึงให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้โกรธจริงหน้าตาแค่แตกต่างไปทางแรงไปเดียวเดียวยังน่าเข้าใจยังน่าเอ็น ด, ดูยังน่าใกล้ชิดอยู่ บางคนโกรธแล้วน่าเกลียดเพราะฐานพยาบาทดั้งเดิมอันมืดทึกตกแต่งให้ดูกระด้างมากกว่าอ่อนโยนแผ่รังสีความเกลียดมากกว่าความรักขับดันไอร้อนมากกว่าไอเย็นจึงให้ความรู้สึกปลุ้มพล้านคล้าจะฆ่าแกงกันหน้าตาบูดเบี้ยวเราก็ไม่ใช่มนุษย์หน้าดูดผูหน้าชิงชังหน้าหลีกหนีให้ไกลเดี๋ยวนั้น กายใจอันหยาบลงหรือละเอียดขึ้นเป็นสัญญาณบอกตรงๆว่าแต่ละคนเกาะพบเกาะภูิระดับไหนอยู่มีความหยาบซามน่าระคายเพียงใดมีความประนีตน่าชื่นชมเพียงไหนใช้ใจสังเกต ร, รู้สึกเอาได้การจําแนกแยกแยะความหยาประนีตของตัวตนคนรอบข้างนับเป็นเรื่องง่าย เราแค่ใช้ตาดูแค่ใช้ใจรู้สึกก็ตัดสินได้คร่าวๆแล้วว่าใครมืดเพียงใดใครสว่างแค่ไหนโดยเฉพาะตอนเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแต่การจำแนกแยกแ ย, กแยะว่าตนเองหยาบหรือประนีตเพียงใดนับว่ายากพอควรเพราะใช้ตาดูไม่ได้ครั้นจะใช้ความรู้สึกที่ตรงไปตรงมา ก็ลำบากในเมื่อต้องผ่านด่านความรู้สึกเข้าข้างตัวเองหลายชั้นความรักและความเกลียดทำให้คนตาบอดได้เท่ากันความรักทำให้คุณแกล้งไม่เห็นข้อเสียความเกลียดทำให้คุณแกล้งไม่เห็นข้อดีหรือบางทีก็ไม่ได้แกล้งแต่ถูกอารมณ์รักอารมณ์เกลียด บทบังไว้มิดจริงๆความรักและความเกลียดอาจเป็นเหตุผลเดียวที่ชนะเหตุผลอื่นได้หมดคนเราจึงอาจไร้เหตุผลเพื่อบูชาความรักหรือพักดีต่อความเกลียดได้อย่างเหลือเชื่อความรักและความเกลียดเป็นอุปาทานเกิดอาการทางจิตชนิดยึดมั่นเหนียวแน่นเกินถ่ายถอนและธรรมดาเมื่อจิตยึดติดสิ่งใดมากที่สุด ก็จะหลงสําคัญผิดคิดว่าสิ่งนั้นเที่ยงแท้อมตะที่สุดเราจึงได้เห็นการอธิษฐานขอจองคู่กับการอธิษฐานขอจองเวรไปทุกพบทุกชาติกันเรื่อยๆคนเรามักตาสว่างจากความรักเพราะความผิดหวังหนักและมักตาสว่างจากความเกลียดเพราะความถูกใจแรงๆความผิดหวัง และความถูกใจจึงเป็นตัวปรสำคัญที่ทำให้รู้ในที่สุดว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่แทรกแซงเข้ามาเีได้บางคนไม่ทันรู้ความจริงว่ารักไม่เที่ยงก็ชิงฆ่าตัวตายไปลำบากเสียก่อนเียดายบางคนไม่ทันรู้ความจริงว่าเกลียดก็ไม่เที่ยงก็ด่วนฆ่าคนอื่น ให้เกิดภัยเวรแก่ตนและแก่เขาเสียแล้วความรักก็เหมือนอารมณ์ปรุงแต่งจิตทั้งหลายหวานชื่นมากหวานชื่นน้อยสืดจางแนงหน่งนายกลายเป็นเกลียดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยความหวานชื่นเติมเข้าไปทุกวันมันก็เฉาลงเรื่อยๆเหมือนผิวหนังที่ค่อยๆแห้งเหี่ยวโดยไม่มีใครทันรู้ตัวว่าเริ่มเปลี่ยนไปตอนไหน กว่าจะรู้ตัวก็หมดความเปล่งปลั่งไปซะแล้วคนส่วนใหญ่จะตีความรู้สึกหวานว่าเป็นเรื่องราคะหรือเรื่องทางเพศทั้งที่แท้ราคะเป็นธรรมชาติด้านตามทางกายยาบส่วนการคิดดีต่อ ก, กันพูดดีต่อ ก, กันสกิตเตือนกันในเชิงที่จะพัฒนาจิตวิญญาณและเอากันละกันออกมาจากหลุมดําของกิเลสนานา นั่นต่างหากคือธรรมชาติทางใจอันประณีตที่ให้ความหวานนานหวานจริง